พวกจิตวิปริตทางเพศทำกรรมกันมาแบบไหนถามพวกที่มีจิตวิปริตทางเพศชอบใช้กำลังหรือมีพฤติกรรมในเชิงรุนแรงเช่นเป็นสาดิสชอบทรมานผู้หญิงในทางกรรมวิบากเกิดขึ้นจากอะไรและจะได้รับผลอย่างไรครับ ตอบดังกล่าวแล้วในคำตอบที่ผ่านมาว่าส่วนลึกเพศชายต้องการเป็นฝ่ายเหนือกว่าแล้วก็มักมาแสดงออกอย่างชัดเจนเมื่อถึงเวลามีเพศสัมพันธ์นี้เองตามธรรมชาติฝ่ายชายจะรับหน้าที่กระทำปัญหาคือถ้าขาดความเชื่อมั่นรู้สึกว่าอ่อนแอทางเพศเกินกว่าจะเป็นฝ่ายกระทำด้วยมือเปล่าก็ต้องหาทัพเสริม หรือไม่ก็าหาเครื่องทุ่นแรงการข่มขู่ให้กลัวการนำพวกมารุมโทมหรือการจับผู้หญิงมัดขึงพืชให้หมดทางสู้เสริมความแข็งแรงจนเกิดอารมณ์เพศได้เรียกว่าเป็นผู้เกิดราคะได้ด้วยมือเปื้อนบาปเป็นผู้มีความสุขบนความทุกข์ของอีกฝ่ายแน่นอนว่าพบอันเป็นที่หมาย คือการเป็นผู้ถูกทาทารุณเป็นผู้ตกที่นั่งทุกข์บนความสะใจของเหล่านิรยาบาลหรือแม้เมื่อมีวาสนาได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ต้องได้รับโทษทันตามสมควรแก่เหตุอาจเป็นหญิงที่มีชะตาให้ถูกรุมโทมหรือเป็นนักโทษอุกจกรรที่โดนผู้คุมกลั่นแกล้งอย่างสาหัสหรือตกเป็นเฉลยที่ถูกศัตรูกลุ่มรุมทรมานให้ตายช้าเป็นต้น จิตของนักทรมานย่อมผูกอยู่กับนรกของการโดนทำทารุณทรมานพวกที่มีความสนุกทางเพศแบบผิดๆมักติดใจและนึกสนุกอยากสร้างเหตุการณ์เลวร้ายให้กับผู้อื่นเป็นอาจินจึงรอดจากไฟร้อนหลังตายจากโลกนี้ไปได้ยากครับ